แต่รถของพรนิพานรถจิตรถใจรถธรรมะของพระนิพพานรถธรรมะของพระหันไม่ใช่สมมุติเสียแล้วอะนนะั้นไม่ใช่วันของผู้ใดไม่ใช่เวลาของผู้ใดไม่ใช่ชีวิตของผู้ใดเออ ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปมีหน้าที่ล่วงก็ล่วงไปมีหน้าที่เกิดดับแปลปวนก็ดับไปไม่อยู่ในวงแขนของใครในสัพเพเตยโลกธาตุนี่จะบัญญัติว่าดินน้ำไฟลมอะไรก็ตามเถิดจะบัญญัติอะไรก็ตามไม่อยู่ในวงแขนของใคร ตลอดถึงพระนิพพานก็ไม่ได้อยู่ในวงแขนของใครเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่วงก็ไม่ได้จองไว้เป็นสเพธธรรมาอนัตตาที่ไม่เกิดไม่หลับถ้าอยู่ในวงแขนของพระละหันเมื่อเราพ้นจากกิเลสแล้วก็ต้องจากราไปติดต่อกับพระละหันขอเอาอีกละนฉะนั้นจึงว่าสเปธธรรมาอนัตตาติ หมายถึงหมายถึงสังขารด้วยหมายถึงวิสังขารด้วยเป็นคำกลางเป็นคากลางสเพธมาอนัตตาที่ททั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคำว่าทั้งปวงในที่นี้หมายถึงโลขิยะด้วยหมายถึงโลกุตระด้วยหมายถึงบาดด้วยถึงบุญด้วยถึงมัดด้วยถึงปะโสดาบานด้วยสกทาคามีด้วยอนาคามีด้วยอรหันด้วย หมายถึงพุทุชนคนหนาด้วยคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่อนัตตาในฝ่ายภพฝ่ายชาติหรือฝ่ายกิเลสเป็นอนัตตาที่ควรเว้นอนัตตามักเป็นอนัตตาที่ควรเจริญอนัตตานิโรธเป็นอนัตตาที่ควรทำให้แก่ คำว่าอัตาก็เหมือนกันอัตตาบาปเป็นสิ่งที่ควรเว้นอัตตากุศลเป็นสิ่งที่ควรเจริญเพราะจัดเป็นมรรคส่วนจะเป็นโลกีมรรคหรือโลกุตลมรรคนั่นก็แล้วแต่เหตุผลของกรณีนั้นๆแต่ละลายของบุคคล เทียบเพียงพระโสะดาบันเท่านั้นหน้ามหาสมุทรแท้งไปยังเหลืออยู่สองสามหยดทุกขของพระโสะดาบันก็ยังเหลืออยู่เพียงสองสามหยดเท่านั้นส่วนพระสะกทาคามีอานาคามีอรหันท่านไม่ไดเอามาพูดในสูตรนี่ถ้าพระโสะดาบันก็ยังเหลือน้อยถึงขนาดนั้นแล้ว พระเจ้ า, าคามาีพระอนาคามนะีก็คงยังเหลืออยู่เพียงครึ่งหยดเท่านั้นห ย, ด, นนหยดหน้าส่วนพระหันไปหมดแล้วแล้วไม่เชื่อพระองค์เราจะไปเชื่อใครทีนี่พระองค์ไม่ได้พูดแต่ปาก กิเลสของพระ อ, องค์ก็หมดไปด้วยเราได้ครูดีอาจารย์ดีทีนี้อาจารย์ดีเบื้อาางต้นของเราต้นพระพุทธศาสนาก็เป็นผู้ไม่มีกิเลสด้วยที่นี่ศาสนาอื่นนอกจากสศาสนาพุทธก็ยังมีกิเลสอยู่ตั้ง เท่าผู้เข้าหลวงทีนี้ในที่ว่านี้เราไม่ลำเอียงเข้าศาสนาพุทธเราพูดตามเป็นจริงเราปฏิบติตามเป็นจริงถ้าเราจะลำเอียงเราก็ไม่ยอมถือศาสนาพุทธเพราะพระ อ, องค์มาได้เกิดในประเทศของเราเกิดในเนปัลปานประเทศอินเดีย เรายังนับถือนี่เรานับถือตามเหตุผลถ้าเราลำเอียงเราก็ไม่เราก็ไม่กล้านับถือเพราะมันเด้เกิดในประเทศทอยทีนี้จะหาว่าพระสมณะพระพุทธเจ้าดูถูก ศาสนานอื่นๆพูดเข้าข้างตัวชนะเสือนแต่สาวกของตัวก็เป็นการกล่าวตู่พระบรมศาสดาอีกเหมือนกันเพราะพระบรมศาสดามันพูดเข้าข้างตัวเทศนาเข้าข้างธรรมะถือธรรมะเหตุนั้นจึงยอมคารพธรรมะในมหาปรินิพานสูตร บอกเนียนอยู่แล้วสมณะทั้งสี่มีพระสวสดาบันสกคธาคามีอนาคามีอาหารหันไม่มีในาศาสนาอื่นเลยนอกกาพุทธศาสนาเท่านั้นแม้จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสักเพียงไหนก็ไม่มีพระสวสดาบันาศาสนาอื่นพระบรมาศาสดายืนยันแล้วในมหาปรินิพานสูตร ในที่ว่านี้เราแต่ฐาคตเมื่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดตามเป็นจริงกรรมและผลของกรรมมีอยู่ตราบใดเพราะพุทธศาสนาก็ยังอยู่ตราบนั้นจะมีพูดถือหรือไม่ถือก็าตามกรรมและผลของกรรมมีอยู่ประจําโลก ประจำแต่ละรายของบุคคลและตัวสัตว์อีกด้วยสิ่งที่มีวิญญาณของสิงห์นี่ต้องสวยกรรมและผลของกรรมอยู่ของตนอยู่จะรู้ตัวหรือไม่รู้รตัวไม่ขึ้นอยู่เมื่อเป็นดังนี้จึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาหืหดิหนอะไร แผ่นดินมันเปลีย่ยนแผ่นดินแปลว่ามันมีวิญ ญ, ญาณนึกเถอะนอกจากฟ้าที่เขาไปหมุนอยู่หันแผ่นดินมัมีวิญญาณเนาะวิญญาณเนี่ยคือวิญญาณอย่าวิญญาณปฏิชนทีดินขำว่าตายแล้วมันเกิดไปยังดินนื่สือมันก็เป็นดินของเกา่าหดินนวลลวดมั่มีอืม โอ้ถือว่าศาสนาอื่นน่ะในรัฐทิของผามบางจังพวกถือว่าดินเป็นของที่มีวิญญาณแต่ว่าพระองค์ที่ไม่ให้ขุดดินนั้นเพราะเก่งจะไปถูกสับ ต, ตายนี่อันหนึง่งไม่ใช่ว่าพระองค์จะถือว่าดินมีวิญญาณเหมือนกับศาสนาผาม พระองค์ไมด้ถือว่าดินมีวิญญาณจะขุวิญญาณตาของมันมีอยู่ที่ไหนโสตะวิญญาณหูของมันมีอยู่ที่ไหนอืคานาวิญญาณจมูกของมันมีอยู่ที่ไหนชิ้มหาวิญญาณจมูกของมันก็ไม่มี กายวิญญาณกายของมันก็ไม่มีเราไปขุดมันก็ไม่ได้ด่าได้แฉ่งเราทีนี้ดินนะเพราะไม่มีวิญญาณกรณีวิญญาณปฏิสนธิของมันก็ไม่มีโรคโกโลงของของมันก็ไม่มีสิ่งของสมบัติพัฒสถานของมันก็ไม่มีไม่ได้จัดว่าดินดินมีวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้จัดว่าดินล้นลวนๆมีวิญญาณ แต่ดินภายในหรือภายนอกผู้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นวิญญาณของผู้นี้ตางหะวิญญาณของนินแท้ไม่มีวิญญาณของน้ำก็ไม่มีวิญญาณของไฟก็ไม่มีวิญญาณของลมก็ไม่มีวิญญาณของตน้นไม้ก็ไม่มีวิญญาณของภูเขาก็ไม่มีเพราะภูเขาก็จัดลงในธาตุดินแล้วสิ่งที่เป็นของแข็ง สิ่งที่เป็นของเหลวซาบซึมก็จะเป็นธาตุน้าสิ่งไหนที่เป็นอบอุ่นก็จะเป็นธาตุไฟสิ่งไหนที่พัดไปมาก็จะเป็นธาตุลมดินน้ำไฟลมนลนล้วนไม่จัดว่ามีวิญญาณส่วนที่มีวิญญาณเข้าไปคลองสิลงยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็คือกิเลส ท่านพูดมาท่นในทางของพุทธศาสนาวัดว่ า, าศาสนาก็อาศัยดินอาศัยต้นไม้ที่ธาตุดินน้ำไฟลมแต่ว่าอาศัยชั่วคราวในชั่วปฏิบัติไม่ได้หวังจะเอาดินน้ำไฟลมไปเข้าสู่พนิพพานด้วย เช่นอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ก็เหมือนกันไม่ได้หวังว่าเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปพระนิพพานด้วยเพราะยังจะได้เบื่อแ น, น่นายแน่คลายแน่ถอนอะไรในตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ ที่นี่ถ้าหากว่าเข้าใจว่าพระนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานต้องเอาใจไปก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพระนิพพานก็บกพร่องจะได้เอาใจไปจากรูปขันนามขันอยู่ใจที่บร ญ, ญญัติว่าสิ้นกิเลสแล้ว คือใจสะอาด ก, ก็เป็นแต่สักว่าใจอยู่ของเก่านั่นเองเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปเจตสิกนิพพานรูปจิตรูปก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเจตสิกก็เป็นอย่างหนึ่งนิพพานก็เป็นอย่าง ท่านนายท่านนยยืนยันว่าใจเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นใจสะดุแล้วก็คือใจเป็นหัวหน้าประพฤติเพื่อเข้าสู่พระนิพพานถ้าเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วจะมาบัญญัติใจเหมือนเก่า ก็ไม่ถูกเพราะกลายเป็นอันอื่นแล้วเพราะกลายเป็นธรรมอนันตายแล้วไม่บรญญัติใจเสียส่วนพระละหันที่ยังไม่ตายนั่นบัญญัติใจจิตรู้ทุ่นจากอาสวะส่วนตายแล้วไม่บัญญัติละใจเพราะเหลือวิสัยที่จะบรญญัติอีก เดหลือวิสัยที่จะมาบรญญัติของหยาบๆส่วนพระละหันมรณภาพแล้วไม่บรญญัติกใจายบัญญัดว่าอมตะม่พยังฆตาหะตาถึงทําอันไม่ตายใครเป็นผู้ถึงถึงทําอันไม่ตายก็ทําอันไม่ตายถึงทําไม่ตายทําอันไม่ตายถึงทําอันไม่ตายอยู่ไม่มีกางวันกลางคืน ภาษาลีบุตรปึงจึงบอกพญามกะว่าคนจงหาพระรหันในคันห้าเถิดจงหาดูซิหาพระรหันในคันห้า นั่นก็รูปเสียนั่นก็เวทนาเสียนั่นก็สัญญาเสียนั่นก็สังขารเสียนั่นก็วิญญาณเสียฮารุนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็ดกระดูกเยื่อในกระดูกมาอหัวใจตับปังผือไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมมุติเราเป็นถาดดินนั่นก็เป็นดินเสีย ทีนี้ธาตุน้ำดีสเล็ดน้องเหือดเหื่อมันค้นน้ำตาเปรยวมันน้ำลายน้ำมุกน้ำไขข้อน้ามุดอันนั้นก็เป็นธาตุน้าไปเสียไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดซูมไฟที่ยังกายให้ขบวนขวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนั้นก็เป็นธาตุไฟเสียลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนั้นก็เป็นลมเสี ย, ยเวทนาความสวยสุขทุกุเบกขาอันนั้นก็เป็นแต่สักวเวทนาเสี ย, ยสัญญาความจำลูกจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผูดตับพระ จำธรรมาลมอันนั้นก็เป็นแต่เสีย د. เป็นเป็นแต่สักวาสัญญาจะไปเสียสังขารปรุงแต่งแห่งจิตบางข่าวนึกดีบางข่าวนึกชั่วบางข่าวนึกดีก็เรียกว่ากุศลจิตบางคราวนึกชั่วก็เรียกว่าอกุศลจิตบางคราวนึกกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าอภพยากิตก็เรียกว่าสังขารอีกเหมือนกัน ี่นี่ว um ิญญาณจักข no. ุวิญญาณอาศัยโรครูปกระทบในตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักกุวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกขานะวิญญาณอาศัยรสกระทบจีนเกิดความรู้ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยผดทพะกระทบกายเกิดความรู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณ อาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมโนวิญญาณอันนั้นก็เป็นเจตสกวิญญาณไปเสียเออกระผมหาพระรหัสนในขันห้าไม่ได้เสียแล้วออเอ อ, เ, อ, อเธอหาพระรหันสนัยขันห้าไม่ได้ถูกแล้วจริงอยู่ถ้าอย่างนั้นเธอจะยืนยันว่าพระรหัตตายแล้วศูนย์ทำไม สารีบุตรกลับซ่อนเข้ามาถามอีกที่นี่ถ้ามีผู้ถามว่าถ้าพระอรหันต์ตายมีผู้ถามท่านจะตอบยังไงสารีบุตรย้อนถามลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่แม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วครับ จะตอบอย่างนี้เออถูกละดีละดีละอุบายพยามกกะอุบายภาษาดิบุตรแก้พยามกกะพยะมะ ก, กะบอกว่ายืนยันว่าพระรหันต์ตายและศูนย์ศูนย์โดยประการทั้งปวงอีกด้วย ถาจะใช้คําว่าศูนย์ก็ศูนย์แต่เพียงโรคกวดลงเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ศูนย์เพราะทําอันไม่ตายมีอยู่ผู้ที่เขาถือว่าตายแล้วศูนย์ก็เหมือนกันใครเป็นเป็นผู้รู้ว่าศูนย์ก็ผู้มันรู้อยู่นั่นน่ะมันไม่ศูนย์่ะใครเป็นผู้ไปยืนยันว่ามันตายแล้วศูนย์ผู้ไม่ศูนย์ซิไปยืญญญนยันถ้าว่าศูนย์แล้วจะรู้อะไรอีกอย่าง พระหัสบัญญัิไม่ขึ้นใช่แล้วจะบัญญัติู้ร้ก็ไม่ขึ้นเพราะท่านไม่กล้องกนในพุรุ สำหรับภายนผ่านบรญยัตสุขว่าเป็นสุขบรร ญ, ญัตนอกบรร ญ, ญัติในห่างแม่นนอกแต่ว่าบุมีพูดได้ไปยืนยันเอาสุขมาเป็นเจ้าของที่นี่บพรามาเกิดแก่เก็บตายเพราะมาโลภมาโกรธมาหลงอีกและจะ้จัดว่าเป็นสุข เ่อใดไมีลูกขันน้ําขันไม่ได้ไมีลูกขันน้าขันก็ได้จัดว่าเป็นสุขแต่ผู้ที่สวยสุกอยู่ในพระนิพพานเน่ยมันไผเดียวนี่เมื่อใดมีสําคัญว่าไผสุขเออเมื่อใดสำคัญว่าไผ่สุกพระพุทธเจ้ า, จ า, พพ า, จา ก, กับเ่อใดสําสคัญว่าจะของสุกอยู่เดียวนี่ พอหมดกว่วมสองขั้นแล้วจากสําคัญนว่าสุขได้ตแต่ไมีชีวิตอยู่แต่ห่างว่ติดสุขข้าพเจ้าพิจารณาสุขในพระนิพพานตามนจริงของสุขพระนิพพานข้าพเจ้าพิจารณาทุกในวัฏฏะสงสารตามนจริงของทุกแต่ข้าพเจ้ามาติดอยู่ในเงื่อนทั้งสอง ้าข้าพเจ้าติดอยู่ในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งอุปทานและวิญญาณปฏิสนธิของข้าพเจ้าก็มีเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิและอุปทานของข้าพเจ้าความยึดมั่นถือมันจึงไม่มีข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอดีตข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอนาคตข้าพเจ้าและจึงไม่ได้หวงอยู่ในปัจจุบัน และข้าพเจ้าก็ไม่ได้สำคัญตัวว่าอยู่ในที่สุนศูนย์สนสานอีกด้วยที่ว่าพระนิพพานนิพพานังประมังศูนยังพระนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าว่างจากโรกโกฏิหลงว่างจากเกิดแก่เก็บตายว่างจากอุปทานภพชาติทั้งหลาย ถ้านิพานนิพานนางพลังชุกครั้ ง, ขขงนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะม่มีชาติเพราะมันมีภพเพราะมัมีทุกมาเกือปนสิ่งไหนที่มีวิญญาณคลองสิงสิ่งนั่นก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั่นก็ศูนสิ ศูนย์หรือไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนย evet. ัน <nom>. ข้าพเจ้าเป็นพระนิพพานนี่เองข้าพเจ้าเป็นผู้ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ยืนยันข้าพเจ้านี่เองเป็นพระนิพพานเป็นผู้ไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันเพราะหมดการยืนยันและหมดการปฏิเสธแล้วหมดการเขียนหมดการลบแล้ว หมดรายได้หมดรายเสี ย, วสวยหมดรายรับหมดรายจ่ายนะเสกตัวสวยพันธุ์ผ่านเนี่ยนะตัวส ว, ย, ว, สวยพันธุพานสวยมุดที่สุขพระสุขเกิดจากการพ้นจิเลตอาสวะสวยมุดที่สุขอยู่เจ็วัน หมายความว่าพระละหันยังไม่ตายพระบรมศาสตร์สดา ย, ยังมีอยู่ยังไม่สิ้นชีวิตเพอกิเลสนิพานเฉยๆขันยังไม่ทันนิพานพอพระละหัน์สิ้นชีวิตก็เรียกว่าขันนิพานเมื่อพระละหันยังไม่สิ้นชีวิตก็มีแต่กิเลสนิพานทังนั้นจึงเรียกว่าสาวุปาทิเสสนิพานดับกิเลสแล้วแต่ยังเหลืออยู่เป็นจะขัน อนุปาทิเสสนิพานดับทั้งเบญจขันธ์ด้วยทีนี้ไม่มาก่อเบญจขันธ์อีกถึงพระนิพพานเป็นข้อละเอียดที่สุด้าสโวดาบันมองเห็นพระนิพพาน มองเห็นพระนิพพานนิพานนพานนิพานนิานนิมานนานนิพพาิานนินิพพานนาพิาานนิพพานนนานาาาาิ พระนิพพานไม่ใช่เหมือนหูลาศาสตพระนิพพานไม่ใช่ดินน้ำไฟลมพระนิพพานไม่มีที่อยู่พระนิพพานไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์พระนิพพานไม่ใช่เหมือนหูลาศาสต์เหมือนภายลูกเหมือนฝ่ายลูก เหลือวิสัยของผู้ทุชนคนหนาที่จะเดาดดที่นี่เมื่อเราเห็นความเกิดเก่เก็บตายในวัฏสงสารเป็นทุกข์มากเราจึงจะสำเหนียบพระนิพพานถูก ถ้าเราไม่เห็นการเกิดการเก่การเจ็บการตายชาติชาติพบพบการท่องเที่ยวในวัฏรสงสารมันเป็นทุกข์มากจิตใจของเราก็ไม่ยินดีในพระนิพพานเราก็ตีความหมายในพระนิพพานไม่ออกถ้าว่า เราเห็นว่าชาตชาติพบพบเกิดกดเก่เกเก็บเก็บแต่ตายแล้วโลกกลูดกูดหลงลงเป็นทุกอย่างเต็มที่ถ้าเราเห็นในจิตในใจของเราโดยเฉพาะตนอย่างนี้แล้วเราก็จะสํำเหนียกพระนิพพานถูกถ้าอย่างนั้นเราก็สํำเหนียกไม่ถูก เป็นของเหลือวิสัยของเราเสียแล้วแต่ว่าม่แต่ว่าไม่เหลือวิสัยของท่านผู้อื่นเช่นนักมวยเขายกกฎนี้นั่งหนักได้ แ, แต่ไม่เหลือวิสัยของเราเทว่าเขาไม่เหลือวิสัยถ้าเรามองดูอดีต ก็เห็นแต่กองทุกข์ถ้าเรามองดูอนาคตก็เห็นแต่กองทุกข์ชัดด้วยตนเองโดยไม่ตื่นข่าวเชื่อตามคนอื่นพูดเห็นอย่างนั้นชัดเราจะสำเนี๊ยบพระนิพพานถูกทีนี้ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเราจะสำเนี๊ยบพระนิพพานไม่ถูก ที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละเป็นพระนิพพานที่ใดไม่มีกองนามลูกที่นั่นแหละเป็นพระนิพพานที่ใดไม่มีโรกโกดหลงที่นั่นแหละพระนิพพานที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละพระนิพพาน ที่ใดไม่โลกโกูดหลงที่นั่นก็แหละพระนิพพานที่ใดไม่ใช่กองนำลูกก็ที่นั่นแหละพระนิพพานเพราะหนใตยโลกธาตุมีแต่กองนำลูกบรรจุอยู่รูปหมายความว่าสิ่งที่มีวิญญาณของสิ่งเมื่องไม่มีก่อตามก็จะเป็นรูปเหมั้นกัน สิ่งที่มีวิญญาณของสิงอยู่ในโลกก็<ม>จดเป็นโลกอีกเหมือนกันรูปสังขาร น, นามสังขารพวกที่ติดอยู่ในสมาธิ ยืนยันสมาธิเป็นตนตนเป็นสมาธิก็เรียกว่าอาเนียนชาพิสังขารก็จะเป็นสังขารอยู่เหมือนกันมีภพมีชาติอยู่เหมือนกันพวกที่เข้าถึงสมาธิอันไม่มีรูปเพราะเพราะเพิกกระสินแล้วกระสินที่เพ่งรูปไม่มี เพ่งแต่อารูเป็นอารมณ์ตายคานั้นก็ก็เกิดอารูปภพลมส่วนพวกที่ที่จนาอนิจจังทุกขังอนัตตากลมกืนกันอยู่ไม่มีกังวนกื น, นพวกนี้จะทำหวังจะทำลายรูปและอารูปพวกเพื่อจะมให้ติดอยู่ในรูปและอารูป พราพวกนี้จะยากเข้าสู่โลกุตละพวกนั่นกําลังชานเฉยๆนะพวกมันมีอานิจจังทุกครั้งอนัตตาโกลมเกินกันนะั่นสัพพทาก็ย่นลงถึงอานิจจังทุกครั้งอนัตตาเนี่ยเว้นไว้แต่พระนิพพานธาตุอันเดียวสัพพธรรมก็เว้นไว้แต่พระพระนิพพานธรรมอันเดียวสัพพาินที ก็เว้นไว้แต่อินทรีย์ในพระนิพพานพระนิพพานมีอินทรีย์อยู่หรือตาอินทรีย์หูอินทรีย์จมูกอินทรีย์ไม่ได้จัดอย่างนี้อินทรีย์ที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานอายตนะที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานไม่ใช่อายตนะภายนอก ภายในตาห ง, งจมูกเรื่องกายใจอย่างนี้ธรรมธาตุที่ไม่ตายมีในพระนิพพานอินทรีย์ที่เป็นใหญ่โดยไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานตั้งอยู่ที่ไหน ถ้านีา่ผ่านไม่บัญญัติวัาตั้งไม่บรญญัติล่าไปไม่บัญยัติ่ามาไม่บัญยัติว่าอยู่เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานพูดเป็นบุคลาทิฏฐานเฉยเฉย เพราะไม่มีกิริยาที่จะเข้าสู่แล้วพูดเพื่อเข้าใจแก่ผู้ฟังเฉยผู้ปฏิบัติเฉยๆเยพราะธรรมดาคนอยู่ในโลกก็ต้องเอาเรื่องที่เป็นวัตถุมาพูดกันจึงเข้าใจกันทีนี่มอโรอวอ ท่านกล่าวคาดคาดว่าพระรหันต์ตายไปแล้วโมโรคึกริท่านกล่าวคัดคา ด, าดแต่ท่านกล่าวคัดคาดไม่ใช่ท่านกล่าวด้วยทิฏฐิมาณะลของท่านหน้าเดียวท่านกล่าวเพื่อโต้หาความเข้าใจต่างหา พระอรหันต์ตายแล้วจะสมาจะมาแสดง่านิพพานให้เห็นได้จริงหรือหลวงปู่มหาบัวแก้ว่าฝ่ายหนึ่งมีลูกขันนามขันอยู่ ธำมะส่วนนั้นสาม